4.14 นิพพานวงเล็บเปิด1 1กุมภาพัน 2,551 ในวงเล็บ2วงเล็บปิดถ้าเรารู้ทุกคือรู้กายรู้ใจแล้วก็ความทุกข์จะหล่นหายไปจากใจเรายิ่งรู้ทุกก็ยิ่งมีความสุขรู้ทุกถึงขีดสุดเรียกว่ารู้แจ้งอริยสัจจะมีความสุขถึงที่สุดเลยเรียกว่านิพพานไม่มีอะไรมีความสุขเท่านิพพานนะ นิพพานไม่ใช่โลกโลกหนึ่งนิพพานไม่ใช่สภาวะอุดมคตินิพพานเป็นสภาวะธรรมจริงๆไม่ใช่สภาวะอุดมคติซึ่งวาดเอาไว้หลอกเด็กนิพพานมีจริงๆนิพพานไม่ใช่โลกโลกหนึ่งไม่ใช่รูปธรรมนามธรรมนิพพานคือนิพพานถ้าเราภาวนาจนจิตของเราหมดความปรุงแต่งเมื่อใดเราจะเห็นนิพพานเมื่อนั้นเพราะนิพพานเป็นธรรมะที่พ้นจากความปรุงแต่งชื่อว่าอสังขตธรรมธรรมะที่ไม่ปรุงแต่ง เมื่อใดจิตเราพ้นจากความปรุงแต่งก็เห็นนิพพานเมื่อนั้นแหละแล้วมีความสุขอยู่ตรงนั้นเลยนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาไม่ใช่ต้องไปหาไกลๆนิพพานไม่ใช่อยู่กับครูบาอาจารย์องนั้นองนี้นิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเต็มโลกเต็มจั ก, กรวาล น, นี่เองไม่เคยหล่นหายไปไหนเลยวงเล็บเปิดสองสิบห้ามิถุนายน25หในวงเล็บ 1, หนึ่งจุดจุดนาทีสิบสี่วงเล็บปิด เราต้องรู้ลงมานะรู้ลงมาในกายรู้ลงมาในใจจนรู้แล้วว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมันจะสลัดคืนไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจคืนกายคืนใจให้โลกเข้าไปไม่ยึดถือพอไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจเนี่ยสมุทัยจะดับอัตโนมัติเพราะสมุทัยมันคือความอยากให้กายให้ใจมีความสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ทไมต้องอยาก อยากเพราะว่ามันเป็นตัวเราพอมันไม่เป็นตัวเราแล้วสลัดคืนสลัดทิ้งไปแล้วจะอยากทําไมเห็นไหมสมุทัยดับเองนะเพราะว่ารู้ทุกแจ่มแจ้งสมุทัยจะดับอัตโนมัติเลยทันทีที่สมุทัยดับนะนิโรธจะปรากฏในขณะนั้นเลยคือนิพพานจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตานิพพานไม่มีสภาวะที่ต้องเข้าเข้าออกออกนิพพานที่เข้าเข้าออกๆไม่ใช่นิพพานตัวจริง อย่างต้องนั่งสมาธิแล้วก็เคลิมเคลิมดับลงไปหมดความรู้สึกบอกเข้านิพพานไม่ใช่นะนิพพานไม่อนาถาอย่างนั้นนะพานไม่ได้เกิดไม่ได้ดับนะนิพพานเต็มบริบูรณ์อยู่อย่างนี้เองครอบโลกาธาตุทั้งหมดอยู่อย่างนี้เองไม่มีความเกิดไม่มีความดับเที่ยงมีแต่สันติสุขมีความสุขมหาศาลนะจิตที่ไปรู้นิพพานก็ได้รับความสุขของนิพพานนั้นมหาศาลเลยดังนั้นนิพพานไม่ใช่แปลว่าไม่มีอะไรเลย ไม่มีอะไรเลยเป็นมิจฉาทิฐิเรียกนัตถิกะทิฐิหรือศูนย์ไปหมดเลยเรียกอุเชธาทิฐิแต่นิพานไม่ใช่สิ่งที่ว่าเป็นภพอันใดอันหนึ่งที่มีขันอยู่นะอันนั้นเป็นสัสตตะทิฐิเป็นมิจฉาทิฐิอีกชนิดหนึ่งนิพานเป็นอะไรนิพานก็เป็นนิพานถามว่านิพานเที่ยงไหมเที่ยงนิพานเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นิพานมีความสุขนิพานเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาเป็นอนัตตานะ ไม่มีเจ้าของไม่มีใครจะเป็นเจ้าของครอบครองนิพพานนิพพานไม่เคยเต็มนะหมายความว่าไม่เคยมีเจ้าของไปจับจองพื้นที่จนเต็มพื้นที่ได้จริงๆนรกก็ไม่เต็มเหมือนกันเพราะทุกคนสร้างของตัวเองได้พอนรกตรงนี้คับแคบแล้วนะเราทําชั่วมากๆมันก็สร้างขึ้นมาอีกสร้างของตัวเองได้การที่เรารู้กายรู้ใจจนเราเห็นความจริงของกายของใจแล้วก็หมดความอยากให้กายให้ใจมีความสุขหมดความดิ้นรน แล้วเข้าถึงสันติสุขคือนิพพานการรู้ทุกข์คือรู้กายรู้ใจชนิดนี้เรียกว่าการดําเนินอริยมรรคคืออริยมรรคนะดังนั้นการที่พวกเราบอกว่าเจริญมรรคมรรคที่พวกเราเจริญยังไม่ใช่อริยมรรคมรรคที่พวกเราเจริญเรียกว่าบุพภาคขมรรคเป็นมรรคเบื้องต้นไม่ถือว่าเป็นอริยมรรค อาศัยแต่บุาพาคคมักรู้กายรู้ใจมากเข้ามากเข้านี่วันหนึ่งอริยมักจะเกิดขึ้นเวลาที่อริยมักจะเกิดนี่มันรู้อริยศัตว์แต่รู้ตามชั้นตามภูมิ พระโสดาบันก็รู้เหมือนกันรู้สิ่งเดียวกันนั่นเองเสร็จแล้วก็ไปเห็นนิพพานอย่างเดียวกันนั่นเองแต่ความเข้าใจนี่ไม่เท่ากันครูบาอาจารย์เคยสอนหลวงพ่อมานะคือหลวงปู่สวรรั์เราภาวนาแล้วก็ไปถามท่านท่านบอกว่าสงสัยอะไรพระสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์ก็เห็นสิ่งเดียวกันนั่นแหละแต่ความรู้ความเข้าใจมันไม่เท่ากันไม่มีอะไรยิ่งกว่านี้แล้ว ฉะนั้นสิ่งที่แตกต่างกันของพระอริยเจ้าแต่ละชั้นก็คือความเข้าใจไม่เท่ากันแม้พระอริยเจ้าชั้นเดียวกันก็เข้าใจไม่เท่ากันนะถึงความบริสุทธิ์อย่างเดียวกันแต่ความรู้ความเข้าใจแตกฉานยังไม่เท่ากันแล้วแต่ว่าจะสร้างบารมีมาทางไหนบางรูปสร้างบารมีในทางเจริญเมตตามากพอหมดธุระแล้วก็อยู่กับเมตตาคนไปเต็มวัดเลยคนชอบปลืม้มเข้าใกล้ก็มีความสุขแล้ว บางรูปท่านสร้างทานบารมีมาเยอะด้วยสร้างเมตตาเยอะด้วยชีวิตความเป็นอยู่ของท่านรูรามากเลยอย่างหลวงปู่เทศนะถ้วยชามที่ท่านใช้นี่เป็นคริสตัลแก้วเจรไนนะตอนท่านมรณภาพถวายเพลิงแล้วนะกระดูกท่านใส่ในโกดทองประดับเพชรพลอยท่านสร้างของท่านมาครูบาอาจารย์บางรูปจนนะ ยังหลุมปูดูนไม่ค่อยมีอะไรหรอกจะฉันแต่ละวันยังไม่ค่อยมีอะไรจะฉันเท่าไหร่นะคนสุรินโจนจริงๆแต่ท่านมีสิ่งที่คนอื่นไม่มีคือมีปัญญาที่ไม่เหมือนใครเลยไม่เคยเห็นใครเหมือนท่านเลยนะ